วิทยุราชมงคลธัญบุรีเอฟเอม 8.5 เมกะเฮิร์ urst, เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562พระราชพิธีสำคัญในการเสด็จถลิงถวัลยลยาวราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่10แห่งพระบรมราชาจักรีวง์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 นัทพลดีอุดควบคุมรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกุลกนิษฐ์ทองเงาสร้างสารและผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี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 a 浪。 La la l e สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขอาสนะครับวันนี้อยู่กับผมนัทพลดีอุดเช่นเคยนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเอฟเอ็มแเมกะนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะในสัปดาห์นี้กับเรื่องราวข่าวสารอาสาต่างๆคนอาสาต่างๆกิจกรรมอาสาต่างๆที่จะนํามาบอกต่อนํามาแชร์กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับวันนี้ครับคุณผู้ฟังมาเริ่มต้นในช่วงแรกกับคิดอาสาวันนี้ผมมีกิจกรรมต่างๆ มาฝากคุณผู้ฟังนะครับเริ่มต้นด้วยกิจกรรมจากสำนักพัฒนาภาคสามในการเปิดกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสารพระราชปณิธานการจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชันเขาหัวล้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวบน พื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมสภาพที่สูงชันอย่างยั่งยืนนะครับคุณฟังครับที่ศูนย์การเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติชุมชนต้นน้ำน่านตนําบุรีสีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านพลตํารวจตีดํารงคงเดชนะครับผู้อำนวยการสํานักงานพัฒนาภาคสาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ําในพื้นที่ภูเขาเสื่อมโทรมด้วยหลักกสิกรรมธรรมชาตินะครับโดยการนํากําลังพลหน่วย ตรงของสำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาทําการฝึกอบรมพื้นฐานในการปลูก ป, ป่าที่ถูกต้องอย่างสถานที่จริงในการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนานะครับคุณฟังครับจากปัญหาดังกล่าวครับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้นํากําลังพลของหน่วยในพื้นที่สำนักงานพัฒนาภาคาาภาคที่3ร่วมกับประชาชนในพื้นที่นะครับที่ได้ร่วมมือกันในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนป่าต้นน้ําที่เสื่อมสภาพในพื้นที่เขาหัวล้นซึ่งได้มีการจัดกิจกรรม เอามือลงจอบนะครับที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคาเพื่อออกแบบและพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชนำริคนอยู่กับป่าและหลักการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับที่สำนักงานพัฒนาภาคที่3ได้มีการรวมตัวของทุกภาคส่วนทุกคนอาสามาร่วมรงแรงจับจอบสร้างระบบน้ำในพื้นที่เขาหัวโล้นตามหลักการออกแบบพื้นที่เพื่อการจัดการน้า ซึ่งระบบดังกล่าวเนี่ยเกษต ร, รกรหลายพื้นที่ได้นําไปทําแล้วพบว่าประสบความสําเร็จและมีแนวทางในการจัดการป่าที่เสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชันหรือว่าเขาหัวล้นโดยใช้3มแนวทางนั้นก็คือ1นะครับการควบคุมดูแลพื้นที่2การดูแลคนและ3การพัฒนาด้านกา ร, การเกษตรภายใต้ยุทธศาสตร์การบูรณาการการจัดการป่าต้นน้ําเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชันหรือว่าเขาหัวล้นนะครับตามวิสัยทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวบนพื้นที่ป่าต้นน้ําเสื่อมสภาพที่สูงชันอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายนั่นก็คือเพื่อพัฒนาฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชันเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนในพื้นที่ให้สามารถอยู่ที่ดีขึ้นได้อย่างพอเพียงและยั่งยืนนะครับและอีกหนึ่งข่าวครับคุณผู้ฟังครับรัฐบาลเตรียมนําจิตอาสาพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟกรุงเทพในวันปียกมหาราชเพื่อน้อมราลึกในพระมหาการุณาธิคุณนะครับโดยนายสุรศักดิ์เรียง เครือนะฮะรองประธานสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนประธานสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่าในวันที่23ตุลาคมนี้รัฐบาลจะนําจิตอาสาพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟกรุงเทพหรือว่าหัวลําโพงเพื่อน้อมลําลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวราชการที่5ซึ่งเป็นหนึ่งในการดําเนินโครงการการรวมพลังจิตอาสาพัฒนาคลองเปมประชากรนะครับโดยรัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาคลองเปมประชากรเนื่องจากเป็นคลองที่มีความสําคัญ ที่เชื่อมโยงกรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและพระนครศรียุทธยารวมระยะทางกว่า50กิโเมตรสำหรับผลการดําเนินโครงการรวมพลังจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรตั้งแต่ปลายปี2561เป็นต้นมาในระยะแรกที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทหมพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีนะครับได้มีการรณลง์ในการพัฒนารอบคลองเปรมประชากรระยะทางกว่า5กิโเมตรนะครับทั้งนี้นะครับการปรับภูมิทัศน์โดยรอบการเก็บขย จะกำจัดจุลินทรีย์ขุดลอกครองพบว่าปัจจุบันนะครับมีประชาชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตํารวจทหารเข้ามาร่วมพัฒนาอย่างต่อนเนื่องซึ่งรัฐบาลเองก็ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะดําเนินโครงการดังกล่าวขยายไปยังคลองอื่นๆทั่วประเทศนะครับสําหรับแผนพัฒนาคลองเปรมประชากรในระยะยาว 9-10 ปีจะมีการบริหารจัดการสิ่งปลูกสร้างที่ลุกล้ําในคลองเปรมประชากรและจัดระเบียบที่อยู่อาศัยด้วยความสมัครใจเพื่อไม่ให้กระทบ ประชชชชานนนใุมคุณฟังครับอย่างไรก็ตามนะครับในวันที่13ถึง23ตุลาคมนี้รัฐบาลจะได้จัดกิจกรรมตามโครงการรวมพลังจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรในพื้นที่13วัดที่อยู่ริมคลองเปรมประชากรเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนในการอนุรักษ์แม่น้ํำลํำของด้วยนะครับและนี่คือ2กิจกรรมที่นํามาบอกคุณผู้ฟังนํามาแชร์ให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงคิดอาสาในวันนี้นะครับคุณฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาติดตาม ก, ตกันต่อกับเรื่องราวของคนอาสานะครับวันนี้คนอาสา เป็นกิจกรรมของคนอาสาจากมทรทัญญบุรีนะครับกับการทำหมวกมัดย้อมนะครับทำด้วยมือส่งมอบด้วยใจให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นติดตามได้ในช่วงหน้าครับสถานสุขภาพความงามบัวสปาภายใต้การดูแลโดยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยราชมงคลทัญบรุรีให้บริการส่งเสริมดูแลสุขภาพความงามด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติทรีตเมนต์ทุกส่วนของร่างกาย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 กลับมากับช่วงนี้ครับกับช่วงคนอาสาครับวันนี้คนอาสามีกิจกรรมดีๆนะฮะนำมาบอกต่อนํามาเล่ากับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นกิจกรรมหมวกมัดย้อมจากมทรอธัญบุรีนะครับทำด้วยใจเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งนะครับโดยสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอคณะศิลปกรรมศาสตร์นะครับรวมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี fm 8 9 5สิบมิกนะครับจัดโครงการทําด้วยมือส่งมอบด้วยใจหมวกมัดย้อมเพื่อผู้ป่วยมะเร็งนะครับ ที่ไปร่วมบริจาคนะครับหมวกมัดย้อมส่งต่อให้กับผู้ป่วยมะเร็งที่โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีตมบุญบึงสนันอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะครับและผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ที่ต้องการหมวกมัดย้อมนะครับเพราะว่าการใส่วิกผมเป็นเวลานานอาจทํำให้อ่าร้อนศีรษะได้นะครับโดยอาจารย์สุรจิตแก่นพิมพนะครับหัวหน้าโครงการและอาจารย์ประจําสาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและเครื่องนล่งห่มได้เล่านะครับว่าหมวกมัดย้อมทั้ง200ใบเป็นผลงาน นักศึกษาชั้นปีที่4สาขาจิตกรรมที่เรียนรายวิชาออกแบบการมาย้อมเพื่องานออกแบบแฟชั่นนะครับการนำศาสตร์ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการช่วยเหลือสังคมและเป็นการเสริมสร้างจิตสํานึกส่งเสริมการลงมือปฏิบัติโดยได้พูดคุยเบื้องต้นกับผู้มือในการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรธั ญ, ญบุรีนะครับในการจัดทําหมวกมัดย้อมมอบให้กับ7สถาบันมะเร็งทั่วประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่าผู้ป่วยมะเร็งนะฮะเป็นโรคที่ทําให้คนไทยเสียชีวิตอันดับหนึ่งใน1ปี ผู้ป่วยจากโรคมะเร็งกว่า 1,000 งแคนซึ่งมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยโครงการหมวกมัดย้อมเป็นจุดเริ่มต้นในการช่วยดูแลผู้ป่วยนะครับเนื่องจากผู้ป่วยที่รักษามะเร็งต้องทุกจากโรคและจากการรักษานะครับโดยเมื่อรับสารเคมีบําบัดทําให้ผมร่วงการมีหมวกทําให้ผู้ป่วยสามารถเกิดความมั่นใจและเข้าสู่สังคมได้นะครับนอกจากนี้ครับยังมีปัจจัยต่างๆเช่นการใช้วิกผมซึ่งการใช้วิกผมไม่สะดวกในเรื่องของการดูแลนะฮะซึ่งจากการดูแลวิกค่อนข้างยุ่งยากส่วนหมว จะดูแลง่ายสามารถสวมใส่ออกสู่สังคมได้ง่ายครับคุณผู้ฟังครับนอกจากอาจารย์สุรจิตแก่นพิมพ์หัวหน้าโครงการและอาจารย์ประจาสาขาวิชาออกแบบสิงทอและเครื่องนุง่งห่มคณะศิลปรกรรมมทรทัญบุรีเนี่ยจะมาเปิดเผยเกี่ยวกับโครงการนี้แล้วนะฮะผมยังมี อ่าเสียงสัมภาษณ์นะครับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีผู้ช่วยศาสตราจา ร, มมารย์ดรสมหมายผิวสะอาดนะฮะ ร, รวมถึงผู้บริการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรธั ญ, ญบุรีนะครับนายแพทย์อาคมชัยวีระวัฒนะนะครับเป็นเสียงสัมภาษณ์จากสองท่านที่จะนํามาให้คุณฟังได้รับฟังกันในช่วงนี้นะครับตามรับฟังเสียงสัมภาษณ์กันครับเป็นโครงการแรกที่ครั้งนี้เราจัดเป็นครั้งที่1 น, นะครับที่ ได้นําความรู้ทางด้านศิลปะของคณะศิลปกรรมศาสตร์นะครับนำมาถ่ายทอดนะครับเพื่อสร้างบุญกุศลนะครับให้กับผู้ฝึกเริงของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยงกรานต์จันทบรีนะครับคิดว่าเราพวกเรามีความสุขอย่างมากเลยนะครับที่ได้เริ่มโครงการนี้แล้วก็โครงการนี้ก็จะจัดอย่างต่อเนื่องไปนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรีนะครับเราอยู่ใกล้ๆแล้วเราก็มีเทคโนโลยีในหลายๆด้านนะครับตอนนี้เรามีอยู่11คณะกับ หนึ่งทีคือมีเรามีวิลัยการแพทย์แผไนไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่ลูกศิษย์นะครับแล้วก็อาจารย์ของเราจะได้มา่า่ท่อเทคโนโลยีและ่ส่ท่อความรู้นะครับร่วมกันกับโรงพยาบาลถือว่า เป็นโอกาสที่ดีเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งเลยนะครับขอขอบคุณท่านผู้มนุยการนะครับที่กรุณาให้โอกาสนี้กับพวกเรานะครับแล้วก็เราก็จะขยายผลต่อไปนะครับในหลายๆด้านนะครับที่เราจะสร้างความดีด้วยกันนะครับซึ่งาท่านผู้มนุยการนะครับท่านได้กรุณานะครับที่จะมีความร่วมมือกับคณะมหาวิเลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราก็จะมีโอกาสที่จะได้ มีจิตอาสานะครับซึ่งเป็นหัวใจของาอาจารย์และนักสัมมนาวิทยาเทคโนโลยีและบุคคลทันสมัยนะครับขอกราบขอขอบคุณที่นักศึกษานะครับตบอาาลอดครับอาจารย์ขาไปพร้อมว่าเราจะไม่ทําแค่หมวดเท่านั้นไม่ทําแค่หมดเท่านั้นครับยังมีในด้านอื่นหลายๆด้านอย่างเช่นด้านของดนตรีบำบัด น, นะครับตรงนี้นะครับเราก็จะจะดําเนินการแล้วก็จะขยายผลไปในระดังด้านเทคโนโลยีนะครับซึ่งเราเองก็ ทางด้านวิทยาศาสตร์ทางดีทางเราก็มีความเข้มแข็งอยู่ด้วยมันโจทย์จากทางโรงพยาบาลนะครับมหาวิทยาลัยจะนำมาพัฒนาแล้วก็นำมาถ่ายทอดนะครับให้ต่อยอดไปเรื่อยๆต่อยอดไปเรื่อยๆครับผมครับต้องขอขอบพระคุณนะฮะท่านลอที่กำลังดีแล้วก็บุคลากรของ มาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรคล น, นะครับที่นนทบุรีนะครับเพราะว่าเป็นโครงการที่ดีแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับผู้ป่วยนะครับต้องยอมรับ ว, ว่าโครงการหมวกปัดย้อมเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการที่เรียกว่าในการช่วยดูแลผู้ป่วยนะครับตั้งจากว่าผู้ป่วยที่รักษาโรคมะเร็งั้องยอมรับ ว, ว่าทุกจากโรคและทุกจากการรักษาโดยเฉพาะการใช้าเคมีบำบัดอาจจะให้เกิดผลข้างเคียงและทำให้ผมร่วงนะครับการมีหมวก ก็จะช่วยะฮะตราบถ้าทําให้เกิดความมั่นใจสามารถเข้าสู่สังคมได้แน่นอนครับมีปัจจัยอย่างอื่นสามารถใช้ได้อย่างเช่นวิกเลยต่างๆแต่วความจริงแล้วเนี่ยการใช้วิกเนี่ยก็อาจจะไม่สะดวกเพราะว่ามีคนจำเป็นต้องดูแลค่อนข้างจะยุ่งยากของบางคนแต่ใช้บวกเนี่ยง่ายกว่าแล้วก็สามารถออกสมมู่สังคมได้ง่ายนะครับแล้วสร้างความมั่นใจได้นะครับต้องเรียนว่าอย่างที่อาจารย์กล่าวแล้วว่าอันนี้มันจุดเริ่มต้นนะครับเพราะว่าความจริงแล้วมีหลายอย่างที่ทางโรงพยาบาลกับทางมหาวิทยาลัยสามารถจะร่วมมือกัน ช่วยนะครับผู้ป่วยให้เกิดความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอย่างที่อาจารย์กลับแล้วไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานศิล ป, ปะบําบัดนะครับดนตรีบําบัดเหล่านี้นะครับเราต้องการความช่วยเหลือจากอาจารย์มาช่วยให้ผู้ป่วยมีความสุขมากขึ้นและเช่นเดียวกันก็มีแพทย์แผนไทยสามารถจะมาบูรณาการกับการแพทย์แผนปัจจุบันได้นะครับ <c oughs> เราก็ยินดีครับที่จะเรียก ว, ว่าร่วมมือกันในการดูแลผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและก็มีความสุขเพิ่มขึ้นนะครับต้องเรียนว่าอันนี้เป็นวันนี้เป็นก้าวแรกของ การดําเนินงานต่อไปนะครับซึ่งชื่อว่าโครงการต่างๆเนี่ยจะไม่มีที่สิ้นสุดนะครับการทําความดีไม่เคยสิ้นสุดนะครับต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์แล้วก็นักศึกษาทั้งหมดด้วยครับขอบคุณมากครับคุณผู้ฟังครับและนี่คือเสียงสัมภาษณ์ของสองท่านนะครับทั้งตรวจแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพัญบุรีในการส่งมอบหมวกมัดย้อมในครั้งนี้นะครับนั่นก็คือผู้ช่วยศาสต ร, ตราจารย์ดรสมหมายผิวสะอาดนะครับ รวมถึงตรวจแทนจากโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธั ญ, ญบุรีนั่นก็คือนายแพทย์อาคมชัยวีระวัฒนะกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชาิราลงกรณั ญ, ญบุรีในการรับมอบหมวกมัดย้อมในครั้งนี้ครับคุณผู้ฟังครับและนี่คือเรื่องราวของคนอาสาในวันนี้ที่นํามาแชร์นํามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกับกิจกรรมดีๆในการส่งต่อหมวกมัดย้อมให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่โรงพยาบาลมหาวาชิราลงกรณ์ธั ญ, ญบุรีครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักกูนะครับช่วงหน้ามาติดตามกันต่อกับเรื่องราวของภารกิจ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 เปิดบริการตั้งแต่8โมงเช้าถึงใบ3โมงจั้นถึงสุขโธ 02-549-3043 หรือที่ www.lotus.rmutt.ac.th ครับมากับช่วงสุดท้ายของรายการนะฮะกับภารกิจจิตอาสาครับผู้ฟังครับวันนี้ภารกิจจิตอาสานะครับมีข่าวๆจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆที่จะมาชวผู้ฟังฮะมาร่วมกับกิจกรรมนี้นะครับซึ่งทางมทรธัญบุรีเองนะฮะได้เปิดครัวให้กับนักศึกษาทำอาหารฟรีนะครับเป็นครัวลูกบัวสวรรค์นะครับโดยนายวิรัตโหตะวัยสยะรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหรือว่ามทรทัญ ยบุรีนะครับเปิดเผยนะครับว่าด้วยขณะนี้เองทางมหาวิทยาลัยนะครับได้ตั้งโครงการขวลรกบัวสวรรค์นะครับให้กับนักศึกษาที่ประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์จากปัญหาเศรษฐกิจนะครับสามารถ เข้าใช้ครัวในบริเวณกองพัฒนานักศึกษานะครับในการปรุงอาหารเพื่อรับประทานเองได้ฟรีนะครับด้วยทางมหาวิทยาลัยเองนะฮะก็ได้จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องปรุงต่างๆสําหรับการประกอบอาหารไว้ให้นะครับส่วนผักที่ใช้ในการประกอบอาหารนั้นก็จะเป็นผักสวนครัวที่นักศึกษาจิตอาสาเนี่ยได้ปลูกขึ้นบริเวณรอบบ่อน้ําหลังสนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัยเองนะครับโดยโครงการลูกบัวสวรรค์เป็นโครงการแรกที่สามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็วที่สุดเพื่อเป็นทุนด้านอาหารสําหรับนักศึกษาที่ประสบภาวะวิกฤต เ น, นื่องจากค่าของชีพสูงขึ้นและนักศึกษากลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมให้สามารถเข้ามาใช้บริการเพื่อการประกอบอาหารได้ด้วยตัวเองช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาในระหว่างที่ศึกษาอยู่นะครับโดยจะมีการขยายเวลาเพิ่มเติมใน3ช่วงเวลานั้นก็คือเวลาเช้าเวลากลางวันและก็เวลาเย็นเพื่อให้ครอบคลุมกับจํานวนนักศึกษาที่เข้ามาใช้บริการในโครงการเองด้วยนะครับโดยโครงการนี้ครับคุณผู้ฟังไม่ได้ใช้งบประมาณสําหรับการดําเนินโครงการนะครับ แต่ใช้กําลังและความร่วมมือในการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่ตั้งใจมาบริจาคทั้งข้าวสารอาหารแห้งรวมถึงอุปกรณ์เครื่องครัวน้ํ า, า, าดื่มวัตถุดิบต่างๆรวมถึงเครื่องปรุงรสนะครับทั้งนี้ผู้สนใจก็สามารถร่วมสนับสนุนโครงการจำพวกวัตถุดิบรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆสําหรับการประกอบอาหารของนักศึกษาได้ด้วยตัวเองที่กองพัฒนานักศึกษามทรอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะครับหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศรัพท์0 2นย์สองห้ครับคุณผู้ฟังครับและนี่คือ เรื่องราวของภารกิจจิตอาสาที่นํามาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กับเรื่องราวของการที่เชิญชวนผู้ฟังนะฮะมาร่วมบริจาควัตุดิบและก็อุปกรณ์เครื่องครัวต่างๆสําหรับประกอบอาหารของนักศึกษาที่มอธรอดแห่งยบุรีนะครับและก็เดินทางมาครบทั้ง3ช่วงของรายการแล้วทั้งคิดอาสาคนอาสารวมถึงภารกิจจิตอาสานะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกลับมาพบกับรายการสุขอาสากับเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมอาสากิจกรรมต่างๆโครงการต่างๆรวมถึงคน อาสาต่างๆที่เราจะนำมาแชร์นำมาบอกต่อคุณผู้ฟังในรายการสุขอาสาแห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังลากากันไปแล้วครับสวัสดีครับพร้อมเสียสละจิตอาสา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 Be n g ภูมิใจ